ทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาออกปากทูลขอผ้าเปลือกไม้จากพระราชาในนิสักคียปาจิตติสิกขาบทที่สิองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐานละ นิสากคียปาจิตตีสิบสองสิกขาบทจบ